วันนี้มีนักปวดรุ่นจิ๋วๆมาเยอะเลยดีวันนี้มีคอร์สของที่ใช้ภาษาอังกฤษคนต่างประเทศแล้วก็มีคนไทยด้วยใช่ไหม มีรถตู้อีกหลายจังหวัดเราพ่อนึกว่าวันนี้จะชุลมมนนะรับดูเรียบร้อย ใ, ใจที่สงบใจที่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างที่พวกเราเป็นเนยมันเป็นใจที่พร้อมสำหรับการรองรับธรรมะ ใจที่กระโดดรุดเต้นฟุ้งซ่านรองรับธรรมะไม่ได้ธรรมะเป็นของสะอาดเป็นของประณีตใจเราโสดโปรกใจเราวุ่นวายใจเรารับธรรมะไม่ได้ธรรมะเป็นของมีคุณค่าที่สุดเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นชาวโลกอย่างที่พวกเราเป็นมีทุกอย่างที่คนในโลกเขาต้องการ แต่พอมาศึกษาธรรมะแล้วเนะี่ยของดีในโลกนะมันจืดชืดไปหมดโลกมันจืดใจมันค่อยห่างโลกออกไปห่างโล ก, ออกไปมันมีความสงบมีความสันติสิ่งที่เราได้มาจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือสันติสุขมีความสุขที่มหาศาลเกิดจากความสงบของใจ ใจของคนในโลกนี้ไม่เคยสงบเลยเพราะมันถูกความอยากบีบคั้นตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังอยากดมกลิน่นอยากลิ้มรสอยากรู้สมัมผัสทางกายอยากได้เรื่องราวทางใจที่คิดนึกปรุงแต่งไปหรือแต่งอารมณ์ทางใจให้สงบให้สบาย ในโลกมันมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากเใจที่ตกอยู่ใต้อำนาจของความหิวโหยมันไม่มีความสุขใจขอเราู่อยู่อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้ผดทพะคือสิ่งที่สัมผัสกายอยากได้ความรู้สึกทางใจ อย่ตัวนี้กัดจ็บหน้าด้วยไม่ไปกัดลูกศิษย์นะเยอะนะมันกัดแต่หลวงพ่อนั่งคนเดียวเนี่ยเราหัวล้อสังเกตไหมเวลาหั ว, วล้อนะใจเราเหมือนดอกไม้บานแต่ว่าเราไม่เห็นใจเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่เห็นอันนั้นก็คือลักษณะของคนซึ่งไม่ได้ภาวนา คนที่ภาวนาเนี่ยต่างกับคนที่ไม่ได้ภาวนานิดเดียวเองคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใจตัวเองเรามองเห็นได้อย่างเราคํานะใจเราเบิกบานเนี่ยเราเห็นในใจมันเหมือ น, นดอกไม้บานเห็นไหมเห็นพอเรารู้ทันมันก็หุบหายไปที่บานบา น, นหายไปเราจะเห็นเนความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วดับ คนภาวนากัคนไม่ได้ภาวนาต่างกันนิดเดียวคือเรามีสติไม่ใช่มีอะไรที่พิเศษพิสดารมากกว่าคนปกตินะจิตใจของเราก็ปล่อยให้มันเป็นปกติจิตใจที่เป็นปกติก็คือเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากดมกลิ่นอยากลิ้มรสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากรู้เรื่องราวทางใจมีความอยากเกิดขึ้นเรื่อย ไม่ต้องไปห้ามมันแต่ว่ามีสติรู้ทันจิตมันอยากดูถ้ารู้ไม่ทัน opinion, จิตมันจะไปเกิดที่ตามันจะไปดูเราจะหลงไปดูจิตมันอยากฟังเสียงถ้าเราไม่มีสติรู้ทันจิตมันจะไปเกิดที่หู mm hmm. ไปฟังเสียงมันลืมตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจมันจะไปรู้อะไรมันจะไปรู้รูไปรไปรู้เสียงไปรู้กลิ่นไปรู้รส ไปรู้สิ่งที่สัมผัสร่างกายไปรู้เรื่องราวที่ใจรับรู้เนี่ยมันไม่มีสติมันจะไปรู้อย่างนั้นคนไม่พานามจะไปรู้แบบนั้นนะของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มันเกิดอยากขึ้นมามันอยากดูรูปอยากฟังเสียงคล้านยะมีสิ่งมายั่วทางตารู้สึกอะไรมีอะไรไหวๆอยู่ทางหางตาเราเนี้ยใจมันอยากดูมันรู้ว่าอยากดู อันไปดูเนี่ยจะดูด้วยใจที่ไม่ได้มีความอยากครอบงาส่วนใหญ่ไม่งั้นอนะพอมีอะไรใยไปข้นมาอยากดูอันไปดูขนาดที่ไปดูนั้นมีกายลืมกายมีใจลืมใจเนี่ยคนไม่ได้ปฏิบัติอย่างเงี้ยมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจนักปฏิบัตนะิมีกายรู้สึกกายมีใจรู้สึกใจแค่รู้สึกนะไม่ใช่บังคับกายไม่ใช่บังคับใจแค่รู้สึกเท่านั้นเอง ใ, ใจเรามีความเบิกบานเกิดขึ้นเรารู้ว่าใจมันเบิกบานมองเห็นมีสภาวะเบิกบานเวลาหดหูรู้จักไหมหดหูมันหดจริงๆนะ ใ, นใจมันหดหูคนในโลกมันก็หดหูนี่เรานับปฏิบัติก็หดหูได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ผิดธรรมชาติเราไม่ใช่พระอรหันต์จะได้ไม่มีกิเลสมายุ่งใจให้เสียหาย เรายังมีกิเลสอยู่งั้นใจเราดีบ้างเลวบ้างนะสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างเลวบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนคนธรรมดาอย่าพยายามวาดภาพนักปฏิบัติว่าไม่ใช่คนธรรมดาอย่าไปนึกว่านักปฏิบัติผิดธรรมดาที่จริงแล้วนักปฏิบัตินยะยิ่งปฏิบัติดีเท่าไหร่ยิ่งธรรมดามากเท่านั้น คนที่ผิดธรรมดาคือคนในโลกนั้นแหละมันถูกกิเลสลากเอาไปมันผิดธรรมดาแล้วใจเราจะค่อยๆฝึกนะจนมันเป็นธรรมดารู้จักคาว่าธรรมดาไหมธรรมะใจมันเป็นธรรมะใช้ไหมอยู่กับธรรมดาสุขทุกขท์ขที่ชั่วเกิดขึ้นมีสติรู้ใจไม่ก็เพื่อมันไหวคือเพื่อมันไหวยังไงมีความสุขก็เพื่อมันไหวพอใจ มีความทุกข์ก็เพิ่มวันไหวไม่พอใจเกิดกุศลขึ้นมาถ้าเป็นคนดีเป็นนักปฏิบัติเกิดกุศลขึ้นมาพอใจเกิดอกุศลไม่พอใจถ้าเป็นคนชั่วบางคนเกิดอกุศลแล้วพอใจก็มีนะอย่างมันโมโหเคยเจอไหมบางคนมันภูมิใจที่โกรธเก่งนะหรือบางคนตันหาจัดภูมิใจแก่แล้วยังเป็นเท่าหัวงูมันภูมิใจได้นะ พวกมีจฉาทิฏียในห้องนี้ก็อาจจะมีนะภูมิใจกับกิเลสมางคนภูมิใจมันไม่ฉลาดเวลาใจเราชอบอันนี้ใจเราเกลียดอันนี้ขึ้นมานะใจมันจะเกิดเพื่อ ม, มันไหวมันจะเสียสมดุลของมัน เสยสมดุลเพราชอบบ้างเสียสมดินเพราะเกลียดบ้างใจจะดิน้นนี่เราจะค่อยๆเรียนรู้ใจของตัวเองค่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆอย่าทําตัวให้ผิดธรรมชาตินักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยปฏิบัติผิดนักปฏิบัติเนะีเริ่มต้นก็เริ่มบังคับกายแล้วก็บังคับใจเวลาเดินก็เดินไม่เหมือนมนุษย์ปกติ ใจิตใจจะทำงานก็บังคับให้มันผิดปกติเราเคยเดินสมมติว่าขาเราสองข้างมันไม่เท่ากันเดินกระโลง ก, กระเพกเราก็เดินกระโลง ก, กระเพกไปไม่ต้องยืดขาไอ้ข้างที่สั้นให้ยาวขึ้นไม่จำเป็นไม่ต้องเดินสวยไม่ต้องนั่งสวยเดินอย่างปกตินั่งอย่างปกติแล้วก็มีสติเห็นร่างกายมันเดินมีสติเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น แค่นั้นแหละที่เราต่างกับคนทั่วไปก็คือมีสติคนทั่วไปอย่างขับรถอยู่คนมาปาดหน้าโกรธพอโกรธแล้วทำยังไงโกรธแล้วก็จะไปดูสนใจคนที่ขับรถปาดหน้าเราไม่เห็นว่าใจกำลังโกรธนักปฏิบัติต่างกับเขานิดเดียวโกรธได้ไม่ใช่ไม่โกรธนะโกรธก็ได้แต่โกรธแล้วเห็นว่าใจกำลังโกรธ จุดที่สนใจมันต่างกันมันสนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่สนใจออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกนะหรือเรื่องราวที่คิดแต่ว่าอย่างทางใจไปคิดเนี้ยคนทั่วไปไม่จะไปรู้เรื่องที่คิดส่วนนักปฏิบัติเนียรู้ว่าใจไปคิดนะต่างกันตรงนี้รู้ทันใจตัวเองใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดเนียวิเศษดีมาก รู้เรื่องราวที่คิดไม่แปลกหมาก็ทาเป็นหมามันคิดมันก็รู้เรื่องแมวมันคิดมันก็รู้เรื่องอย่างแมวมันฉลาดนะมันรู้วิธีที่จะสั่งให้เจ้าของมันทำงานให้มันสั่งมองหน้ามองประตูรู้แล้วมันสั่งให้เปิดประตูเนี่ยหมาแมวก็คิดเป็นนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไปรู้เรื่องที่คิดแต่ถ้าเรารู้ว่าใจเราคิดเนี่ย รู้กายรู้ใจตัวเองนี่ถึงจะเรียกว่าหนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเองไม่ใช่บังคับกายไม่ใช่บังคับใจด้วยนะเช่นใจอยากดูไม่ดูฝืนไว้ไม่ดูอยากฟังไม่ฟังนอนหลับอยูนะ่ได้กลิ่นอะไรแปลกๆช่างมันไม่ไม่ดมนะในความรู้สึกร้อนๆเกิดขึ้นช่างมันไม่สนใจนะไม่รับรู้อารมณ์ภายนอก จะท้ายไฟไหม้บ้านควันมาแล้วก็ไม่ดมนะความร้อนมาก็ไม่สนใจตายตายเปล่าๆนักปฏิบัติเนี่ยมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไม่ได้มีอะไรที่ผิดจากคนธรรมดาสิ่งที่เกินคนธรรมดามาคือมีสติรู้กายรู้ใจตัวเองอย่างเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยคนที่ไม่ได้ปฏิบัติโกรธขึ้นมามันจะไปรู้ สนใจในสิ่งที่ทำให้โกรธอย่างหมามาเหา่าใส่เราเนี่ยเราโมโหหมาใจเราจะไปอยู่ที่หมาถ้าตายตอนนั้นจะเป็นอะไรอาจจะตกนรกเพราะจิตมีโทสะส่วนที่หลงหลงไปหลงมาเนี่ยจะไปเป็นเดรัจฉานางนั้นเราพยายามศึกษานมีสติรู้เท่าทันใจตัวเองบ่อยๆไม่บังคับไม่ฝืนใจ แต่มีสติรู้ทันจิตใจเป็นยังไงรูนะ้ถ้ารู้จิตใจไม่ได้ก็รู้ร่างกายร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอย่างนี้ก็ใช้ได้ดูจิตไม่ได้ดูกายกายเป็นบ้านของจิตเราดูกายไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เห็นจิตคล้ายๆเราอยากเจอเจ้าของบ้านแต่หามันไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านมันเดี๋ยววันหนึ่งมันก็กลับมาบ้านเราก็จะเจอเจ้าของบ้าน เพราะนเวลาเราดูจิตไม่เห็นนะเรามาดูที่กายดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เห็นจิตเฝ้าบ้านไว้เดี๋ยวก็เจอเจ้าของบ้านงั้นพยายามนะพยายามรู้สึกตัวศัตรูของการปฏิบัติมีสองอย่างศัตรูตัวที่หนึ่งก็คือใจลอยไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรถ หลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปรู้เรื่องราวทางใจไม่รู้อะไรไม่รู้ร่างกายที่กำลังเฉเงอคอไปดูไม่รู้ร่างกายที่กำลังตะแคงหูไ้ฟังไม่รู้ร่างกายนะที่กำลังเคี้ยวแมอเด็ดอร่อยรู้รสเวลารู้รสก็ไม่รู้รสจริงนะมังจะไปรู้ไก่ย่างอร่อยไข่เจียวอร่อยอะไรง้รู้ออกไปนู่นไกลออกไปอีกนั้น เวลาใจคิดก็รู้เรื่องราวที่คิดอย่างนั้นธรรมดาใครก็เป็นหมาก็เป็นอย่างที่บอกเราต้องเหนือกว่าหมาหน่อยหนึ่งนะือมีสติมีสติอันเดียวนี้แหละสีลสมาธิปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างเรามีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองเรื่อยๆจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้ จิตใจอยากดูก็รู้จิตใจอยากฟังก็รู้จิตใจอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายก็รู้จิตใจอยากจะดัดแปลงใจตัวเองเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยจะดัดแปลงใจตัวเองคนทั่วไปเนี่ยผิดอยู่เรื่องเดียวคือลืมกายลืมใจนักปฏิบัติผิดสองอย่างบางคราวก็ลืมกายลืมใจบางคราวก็บังคับกายบังคับใจสิ่งที่ผิดมีสองอันผิดมากกว่าคนไม่ปฏิบัติ คนไม่ปฏิบัติมีอย่างเดียวคือมันหลงทั้งวันเดี๋ยวก็หลงไปดูเดี๋ยวก็หลงไปฟังเดี๋ยวก็หลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่บวช น, นะไปตามศูนย์การค้าอนะไรเนี่ยจะเห็นพวกผู้หญิงไปล้อมตู้ขายน้ําหอมอะเอามาทาที่มือนกะก็ดมไม่ต่างกับหมาดมกลิ่นเลยงันไม่มีสติไม่มีสติ พวกเราใครเคยทำไหมทาดมไม่อรไม่ดีา อ, อันใหม่มาทาทาทับอันเก่าเรากลิ่นพ่ลึกหนักกว่าเก่าอีกดมในขณะที่ดมกลิ่นนะรู้สึกไหมลืมตัวเองร่างกายกำลังทำท่าน่าเกลียดเนี่ยอันนี้เหเเม็นเคลือบเคลิ้มไม่เห็นหรือเห็นคนโทรศัพท์ไหม เดินโทรศัพท์ทาท่าแปลกๆนะหนูพ่อเคยเห็นสาวสวยดูผู้ดีผู้ดีโทรศัพท์ไปแล้วก็เพื่อกินข้าวใหม่ๆเอานิวแก่เ น, <c oughs> นี่ยร่างกายเคลื่อนไหวมันไม่รู้เลยไม่รู้สึกน่าเกลียดจิตใจเป็นยังไงไม่รู้เลยไม่ฉลาดคนเก่งจริง ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจของเราเป็นยังไงรู้สึกะเนี่ยที่ต่างกับคนธรรมดาแค่นั้นนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไหมไม่ใช่บังคับกายบังคับใจนะนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยพอบอกให้นั่งสมาธิจะต้องวางฟอร์มก่อนความจริงตอนนี้นั่งอยู่แล้วสมาธิมีไม่มีไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งสมาธิมีไม่มีอยู่ที่จิต จิตตั้งมั่นขึ้นมาเขาเรียกว่ามีสมาธินี่พอบอกให้นั่งสมาธิต้องขยับตัวนั่งให้ได้ร้อยคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำโลงสติเฉพาะหน้าตรงมากกว่าปกติกนะพยายามยืดเนี่ยสักพักเดียวหอเคล็ดหลังเคล็ดแล้วทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าความคิดความเชื่อของเราหลอกเราพอบอกให้ปฏิบัตินะก็เริ่มบังคับร่างกาย ถัดจากนั้นก็เริ่มบังคับจิตใจยังบอกให้เดินจงกรมเนี่ยจะรีบจ้ำๆๆไปหัวทางจงกรมพอไปถึงแล้วก็เริ่มวางฟอร์มนะบางคนก็มือไว้ตรงนี้บางคนก็ไว้ข้างหลังแล้วแต่ถนัดนะแล้วแต่สำนักไม่เหมือนกันบางคนก็มีอย่างของพ่อเคยเจอทําท่านี้เหมือนนีบมันจะเดินไปโชคใครนะกําลัง มันไม่ได้สำคัญที่กระ บ, บวนท่านะมันสำคัญที่ว่าในขณะนั้นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมนะจะเดินท่าไหนถ้าเดินด้วยความรู้สึกตัวก็ถูกทั้งหมดเลยจะนั่งท่าไหนถ้านั่งด้วยความรู้สึกตัวก็ถูกทั้งหมดเลยนะทีนี้ส่วนใหญ่พอบอกให้ปฏิบัติให้เดินจงกรมก็ต้องวางฟอร์มก่อนพอวางฟอร์มทางร่างกายเรียบร้อยแล้วก็วางฟอร์มทางใจทาใจขึม แล้วก็เริ่มเดินด้วยร่างกายที่ผิดธรรมชาติเดินด้วยจิตใจที่ผิดธรรมชาติแล้วมันจะไปเห็นธรรมดาได้ยังไงเพราะมันผิดธรรมดาทั้งกายทั้งใจไปหมดแล้วงั้นอยากเห็นธรรมดาอยากเข้าใจธรรมะอย่าไปทำตัวเองให้ผิดธรรมชาติธรรมดามันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเช่นร่างกายมันหิวข้าวรู้ว่าหิวข้าวไม่ต้องวางฟอร์ม หิวก็ทนเอานะหรือหิวน้ำมากเนยะอยากกินน้ำอยากหนออยากหนอนะกำหนดเป็นนานเลยหันไปแนละ้วน้ำอยู่ทางไหนทางนี้ไตาวายซะก่อนอยังไม่ทันกินน้ำนะถ้าไม่ได้ห ย, ยุ่งวุ่นวายขนาดนั้นฝึกสติให้เร็วไม่ใช่ฝึกกายฝึกใจให้ช้า ฝึกสติให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่ใช่ฝึกร่างกายให้ช้าช้ายิ่งช้ามากเลยอย่งจะหยิบน้ําสักแก้วหนึ่งนะขยับเนี้ยชั่วโมงหนึ่งแล้วถึงแก้วน้ําแล้วเดี๋ยวคงอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะมาถึงนี้เนี่ยเคลื่อนไหวแค่รู้สึกเท่านั้นเองแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองมันเคลื่อนไหว เหมือนหุ่นยนต์เครื่องไรไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นแค่นี้แหละงั้นเวลาจะเดินจงกรมนะเดินจงกรมก็เดินไปถนัดท่าไหนก็เอาท่านั้นแหละแต่ครูบาอาจารย์ก็ชอบให้เรียบร้อยหน่อยถนัดท่าไหนท่านั้นเดี๋ยวก็จะเ อ, อเือรเหยใจลอยไปงั้นก็อาจจะเดินให้เรียบร้อยกว่า ป, ปกติสักหน่อยนึงเดินให้ช้ากว่า ป, ปกติสักนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ต้องช้ามาก เดินช้ามากเนี่ยหนึ่งเกนีแอบไปคิด20ครั้งละไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจุดสำคัญอยู่ที่ว่าทุกความเคลื่อนไหวของร่างกายทุกความเคลื่อนไหวของจิตใจมีสติรู้ทันงั้นอย่าลืมตัวเองแล้วก็อย่าบังคับตัวเองสองอันอย่าลืมตัวเองมีร่างกายแล้วก็ลืมลืมเวลาลืมทำอะไรอยู่ ลืมก็วิ่งไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสที่กายออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสพทุทธภาพธรรมรม์เท่านั้นเองเวลาลืมตัวเวลาบังคับตัวเองก็บังคับกายบังคับใจให้มันนิ่งผิดธรรมชาติธรรมดาบังคับแล้วได้อะไรขึ้นมาได้ความลำบากขึ้นมาการบังคับกายบังคับใจทาตัวเองให้ลาบากนะเรียกว่าอัตตะกิลมัานุโยก การที่หลงลืมกายลืมใจตัวเองมัวแต่ดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นดิ้มรสรู้สัมผัสทางกายคิดนึกทางใจเพลิดเพลินไปไอันนั้นย่อหย่อนไปเป็นกามสุขานิการโยกวิ่งไปหาแต่ากามาคุณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิ ภ, ภาพาทั้งหลายหรือไปหากรรมธรรมคือเรื่องเราที่สนุกสนานเพลิดเพลินในใจ ใ, ใจมันหลงคนในโลกมันหลงอย่างนี้นเราหลงจิตหลงไปปุ๊บรูปับ จตจะตั้งมันก่อนที่มันจะวิ่งไปดูรูปเนี่ยมันอยากดูมันมีความอยากดูแทรกเข้ามามีสติรู้ว่าอยากถ้ามีสติรู้ว่าอยากแล้วเราจะดูโดยไม่ได้อยากเวลาจะกินข้าวอย่างเงี้ยความหิวเกิดขึ้นเราจะเกิดความตะกละความตะกละไม่ใช่ความหิวสองอันนี้คนละอันกันนึกออกไหมความหิวกับความตะกละไม่เหมือนกันบางคนอิ่มแล้วยังตะกละเลย หรือความง่วงกับความขี้เกียจเนี่ยไม่เหมือนกันง่วงนอนกับขี้เกียจเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ผลก็คือไปนอนทั้งคู่วันหนึ่งนอนเพราะร่างกายเหนื่อยนะง่วงอยากนอนต้องการพักอันนี้ไม่ใช่กิเลสนะแต่ว่าที่ใจมันอยากนอนเนะี่ยตัวนี้กิเลสหิวเป็นเรื่องทางร่างกายง่วงเป็นเรื่องทางร่างกายแต่ความอยากจะไปนอนนะอยากจะกิน อนนี้ความอยากกิเลสคนละส่วนกันความรู้สึกของนักปฏิบัติยังมีความต้องการทางร่างกายเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่ไม่หิวไม่หนาวไม่ร้อนนะหนาวหนาวก็รู้จักว่าหนาวเหมือนกันร้อนก็รู้จักว่าร้อนเหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องไม่หนาวต้องไม่ร้อนต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยคนมันเรียกร้องสูงนะใครเป็นนักปฏิบัตินี่มันจะเรียกร้องว่าห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงก็กูจะโกรธอ่ะ มึงอย่ว่าอะไรกนะูแต่มันต่างกับคนธรรมดานิดเดียวคนธรรมดากโกรธเนี่ยมันจะไปดูไอ้คนที่ทำให้โกรธของนักปฏิบัติโกรธเนี่ยเห็นว่าจิตกำลังโกรธมันต่างกันตรงนี้เท่านั้นแหละโกรธเป็นนะอยากดูอยากฟังอยากได้กลิน่นอยากได้รถอยากได้สัมผัสเป็นพอสัมผัสแล้วชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นไม่ใช่ใชพาระอรหันนี่ จี่จะได้มีแต่ความสุขสงบมีิวเบกขาไม่ใช่พระนาคานีรูปเสียงกลิน่นรสผลทพาจะได้มายั่วใจไม่ได้เรายังเป็นปุถุชนอยู่ล้วก็เป็นปุถุชนอย่างที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่เป็นปุถุชนแต่วางฟอร์มเป็นพระอราหารันวันๆ น, นะนั่งนิ่งๆอย่าอยากดูอะไรไม่ดูเดี๋ยวหาว่าโลภยิ้มก็ไม่ได้ ยิ้มก็ว่ามีโลภะหน้าบึ้งก็ไม่ได้มีโทสะอุย้ยพระลหันของเธอนี่ยากลำบากมากเลยนะมันผิดมนุษย์มากเกินไปยิ้มก็ไม่ได้ยิ้มว่าโลภนะทำหน้าเฉยๆกว่าเจตท่าวางฟอร์มนูม้ดูจะทำยังไงที่จริงไม่ได้ทำอะไรนะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นกระทั่งพระละหันก็ไม่วางฟอร์มนะอย่างพระสารีบุตรเนี่ย ท่านเคยเป็นลิงห้ารอยชาตินั่นกิริยาท่าทางท่านยังลุกลีกหลุกๆอยู่ไม่ได้เรียบร้อยตลอดเวลานะเวลาอยู่ในชุมช น, นอะไรท่านก็เรียบร้อยตามอรยายสังคมเวลาอยู่ตามธรมธรมชาติของท่านท่านก็เป็นธรรมชาติของท่านเวลาจะหันซ้ายหันขวานี่หันเร็วนะหันหมุนตัวรวดเร็วนี่คราวหนึ่งท่านจะจะริกไปที่อื่นพวกพระในวัดก็มา เข้าแถวส่งท่านท่านก็เดินทักทายไปที่ระองค์ทีละอ ง, ะองนี่ท่านหมุนตัวเร็วชายผ้าท่านไปฟาดเอาผ้าองค์หนึ่งเข้าแล้วท่านไม่ได้ทักผ้าองค์นั้นนคล้ายๆเดินมาแล้วจะถึงผ้าองค์นี้แล้วเกิดไปเห็นองค์ข้างหน้าโอ้กาลังมีธุระอยากคุยด้วยทีเดียวเดินพลวดไปนะหมุนตัวนิดเดียชายผ้าไปถูกเขาเขา้าเขาไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าภาษาริบุตรตีเขา้าเนี่ย ถาว่าภาษาลิบุตติทำไมท่านไปเอาผ้าไปถูกเขาได้ท่านต้องเคลื่อนไหวว่องไวใช่ไหมเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่อยๆเดินสามวันยังไม่ได้สองสามก้าอย่างเงี้ยไม่ไปถูกใครหรอกนะหรือท่านเดินไปเจอร่องน้ำนะท่านไม่มาอยากข้ามทํายังไงถึงจะข้ามนะไปหาไม้กระดานเที่ยวเดินหาไม้อีกชั่วโมงหนึ่งนะมาพลาดแล้วก็ ข้ามะพระาธิบุตรไปเจอร่องน้ำกระโดดเลยนนพระลหันเนี่ยไม่วางฟอร์มไม่ได้วางฟอร์มเราอย่าไปวาดภาพอะไรที่ผิดธรรมชาติธรรมดาเกินไปพระลรหันนั้นะธรรมดาที่สุดเพราะไม่มีมารยาว่าจะต้องแปล้งทําให้คนนับถือของเราเนี่ยมารยามากจริงไหมเวลาเราเจอแฟนเราเราจะวางฟอร์มไหม เจอสามีเราวางฟอร์มไหมมีคนละฟอร์มนะเจอลูกวางฟอร์มไหมตอนนี้ฉันเป็นแม่ต้องมีฟอร์มแบบนี้เวลาเจอแม่ของตัวเองหนูอย่างนั้นหนูอย่างงี้มันอายุป่าทั้งห้สิบแล้วยังหนูไม่เลิกเลยนะะมีฟอร์มนะมีฟอร์มไปเรืเ่อยๆเจอลูกค้าเนะี่ยต้องวางฟอร์มอย่างงี้เจอเจ้านายวางฟอร์มอย่างงี้แม้มันวางฟอร์ม เนี่เราค่อยๆดูนะอะไรที่แปลกปลอมขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจคอยรู้สึกเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาต่างกับคนธรรมดานิดเดียวตรงที่มีสติมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกยากไปไหมถ้าตรงนี้ยากก็ไม่รู้จะท่ยัยงไงแล้วล่ะนี่ ง, ง่ายที่สุดแล้วนะ โกรธเป็นไหมโกรธเป็นไหมโกรธขึ้นมาทำไงรู้ว่าโกรธจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไม่ตรงๆเลยไม่ใช่จิตมีโทสะรีบกำหนดโทสะโทสะอะไรเงี้ยฟังหายนะถ้าจริตนีสใสหลวงพ่อนะทนไม่ได้มารยาอย่างนั้นนะเราเป็นพวกโทสะจริตนั่นแหละต้องรวดเร็วรุนแรงล้างผลาญ เวลาสู้กับกิเลสก็สู้รุนแรงนะสู้ดูเดือดไม่มาอ้อยซอยอ้อยญิงปนีดนุ่มนวลอะไรอย่างนั้ น, นจิตนิสัยเป็นยังไงสู้อย่างนั้นและต่างกับคนธรรมดาตรงที่เรารู้ทันมีสติสติเป็นตัวรู้ทันรู้ทันกายรู้ทันใจเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่นะก <c oughs> ็รู้กายรู้ใจนั่นแหละคยรู้บ่อยๆอย่างตอนเนี้ย เนหลายคนเริ่มใจฟุ้งซ่านแล้วนะเริ่มหิวความหิวเกิดขึ้นใจก็ดิ้นหลุกลิกหลุกลิกหลุกลิกเนี่ยอย่างนี้ไหมร่างกายเคลื่อนไหวไม่รู้ร่างกายหิวนะก็ไม่รู้ว่าหิวนะถูกความหิวมันครอบงำใจไปเลยถ้าหิวรู้ว่าหิวนะใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหิวใจไม่ได้หิวด้วย ถ้าเป็นนักปฏิบัตินะ่ะร่างกายหิวใจสงบมีความสุขมันยังหิวอยู่มันยังไม่ได้กินเนึ่ก็หิวแล้วเพื่อไม่ให้เน้นถูกร้อนมากไปนะทั้งแม่ชีน้อยด้วยไปกินข้าวได้แล้วไปนิมนต์